เมืม่อตอนเมื่อบายคุยเรื่องอะไรเรื่องกรรมเรื่องกรรมเรื่องรจบเรียนกรรมเรื่องกรรมจรนปนมหามหากรรม า, ามพิธารระสูยังไม่จบดีพูดเรื่องยูรกรรม<อ>ไม่ได้ช่นกันยูราัา ข้ามหากรรมวิธานกระสูจะพูดเรื่องทิฏฐะธรรมเวทนากรรมอุปชาเวทนากรรมอุปลาพระเวทนากรรมเป็นต้นแล้วก็พูดเรื่องกรรมดำกรรมขาวกรรมทั้งดำและขาวกรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นต้นอเงี้ยแล้วก็พูดเรื่องอุปนิสกรรมอุปนิกรรมลักษณะของกรรมนี้แล้วไปพูดเรื่องกรรมเก่ากรรมใหม่แล้วก็ความเกิดของกรรมวามดับของกรรม ยังไม่ได้พูดเกี่ยวกับในเรื่องของกรรมที่จริงๆในเรื่องกรรมเนี่ยพูดพูดค่อนข้างต้องใช้หลายนัยยะเวลาอียดค่อคนข้างเยอะแต่เมื่อคราค่อยๆเรียนรู้ไปใช่ไหม ก็เป็นเรื่องถือว่าผิดปกติไหมไม่ผิดไม่ผิดปกติครับทั้งส่วนหญ่ก็เป็นกันอย่างนีน้ที่จริงวันก่อนที่พูดในเรื่องของกรรมรู้ชัดกุศลไม่กุศลเนี่ยไปพูดในเรื่องของสมาธิสูตรสมาธิสูตรเนี่ยก็พูดถึงในเรื่องของว่า กรรมสักตายานยาณที่ยังรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีความเป็นของตนถสัตยานุรมิกายานกายานที่ยังรู้ตามสมควรแก่การกำหนดรู้อริยสัจสอันนี้เป็นพวกวิปัสสนายาณนาะเพื่อนโลกุตระสมาธิที่นี่เป็นสมาธิในฝ่ายโลกุตระทีคือปัญญาที่ประกอบในอริยมรรคและอริยผลทีนี้ก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องนี้ก็พูดในเรื่องของเริ่มต้นจริงๆเนี่ย ในพระสูตรนี้ท่านภาษาลิบุตรจุพระเนี่ยเข้าไปหาภาษาลิบุตรกระผมเนี่ยกับพวกกระผมเนี่ยเดินทางไปที่ไกลเพื่อจะทราบเนื้อความเป็นภระสิทธิของคาว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเนี่ยว่าเหตุใดอริยสาวกจึงมีสัมมาทิฏฐิให้ตรงเรื่องสายแน่วแน่ในโลกุตละธรรมมาสู่พระสัจธรรมนี่คือปฏิพานโดยอริยมรรคเนี่ย คือต้องการอยากจะรู้สัมมาทิฏฐิในพระศาสนาว่าอย่างไรเรียกว่าสัมมาทิฏฐิอย่างไรเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิคือต้องการอยากจะทราบอย่างนี้เพราะสัมมาทิฏฐิเนี่ยสําคัญที่สุดเลยเนไเป็นองค์มรรคเป็นข้อปฏิบัติข้อแรกที่กลุ่มพุทธบริษัทในแสวงหาพระพุทธเจ้าบัตเสื่ขึ้นมาก็นี่แหละเมื่อได้โลภุตาสัมมาทิฏฐินี่แหละเป็นจริงเป็นพระสารจะสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าไม่สามารถทําโลกุตระสมาธิที่เกิดขึ้นมาได้ก็ไม่สามารถจะเป็นพระสัมมาสัมพรุทธเจ้าได้แต่บางแห่งท่านก็แยกพวกกรรมประะัจจักตาสมาธิิปัญญาที่ไปรู้ในเรื่องกรรมและผลของกรรมรัตทั้งหลายมีกา ร, รเป็นของของตนเป็นต้นแล้วก็ตัวฌานสมาธิิตัวสมาธิิที่ไปฉลาบรอบดูนในเรื่องของฌานสมาบัติทุกระดับ วิปัสนาสมาธิภิปัญญาญาณที่เข้าไปรู้วิปัสนาญาณที่ไปเจาะทะลุทะลวง ท, ทั้งรักขณะจตุกาและยังลงสู่ตจรักในรูปนามขันห้าตามความเป็นจริงทุกระดับตั้งแต่แยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของนามรูปเห็นรูปนามโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนาฏตา ตลอดึงเห็นความเกิดขึ้นของรูปนามเความดับไปของรูปนามเป็นต้นเห็นรูปนามด้วยความเป็นภัยเป็นของที่น่ากลัวเห็นโทษของรูปนามอย่างไรตลอดถึงการวางเฉยต่อรูปนามนะนั้นนนั่ในที่สุดจริงๆก็คือละกิเลสที่ไปยึดติดในรูปนามกันห้าได้ไประชุมเข้าถึงโลกุตระไดาน้นคือวิปัสสนาสมาธิฐิแล้วก็ไปพวกโลกุตระนั้นก็มีมรรคสมาธินั่นคือสมาธิที่ประกอบในอริยมรรค ผลสมาธิถี่สมาธิถี่ที่ประกอบในอริยผลตลอดถึงปัจเวกสมาธิถี่คือปัญญาที่เข้าไปรู้ว่าตนเองได้หลุดพ้นแล้วอย่างไรสมาธิถี่ก็มีทั้งหลายระดับเลยอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ในเรื่องของสมาธิสูตรท่านภาษาลิบุตรท่าสนทนากับพระภิกษุท่านก็บอกว่าท่านภาษาริบุตรกระได้ข่าวท่าอย่างนั้นท่านจงฟังนะยองใส่ใจให้ดีจงฟังก็คือว่าเออให้มีศรัทธาในการฟัง ยองใส่ใจใดีก็ ค, คือตั้งโยนยิ่งสงอนัสิการในการฟังให้มีความฉลาดในการฟังอย่าส่งใจไปทัานอื่นให้ส่งใจไปในการฟังที่ติดต่อแล้วต่อเมื่องให้เกิดความรู้ความเข้าใจในขณะที่ฟังนั้นอย่ามัวทํากิจอย่างอื่นนะเพราะการฟังมีสําคัญพิเศษเป็นต้นพาเหล่านั้นก็แล้วผมจะกล่าวพระพิกษุ์เหล่านั้นรับทำแล้วท่านจะที่กล่าวว่าสังเกตุไหมว่าเราจะนั่งคุยกันเนี่ย บอกโ อ, โอผมมาจากที่ไกลครับเพื่อทราบเนวความเป็นพระสิทธิมาสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเหตุใดอริยาสาวกจังมีสัมมาทิฏฐิเห็นตรงเรื่องสแน่วแน่ในโลกุตตรธรรมทำไงเกิด ม, ม, มาสู่พระสัจธรรมคือมาสู่พระนิพพานนี้ด้วยอริยมรรคอย่างไรบรางคะเด็ต้องการอยากจะทราบเรืร่องความอย่างเนี้ไอ้สัมมาทิฏฐิที่จะเห็นตรงแน่วแน่ตรงต่อพระสัจธรรมแล้วสามารถประชุมอริยมรรคให้เข้าถึงพระนิพพานได้เนี่ยจะทําสัมมาทิฏฐิประเภทนี้โดยเฉพาะโลกุตตระสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นได้อย่างไร สนใจอยากจะได้สมาธิสี่ประเภทนี้พิสูจก็บอกวพวกพิสูจน์ผมมาจากที่ไกลครับต้อการทราบภาษีนี้แหละต้การทราบข้อมูลนี้แหละเมื่อทราบข้อมูลก็ใหญ่ข้อมูลนี้แล้วพวผมจะได้ไปฝึกฝนพัฒนาฝึกอบรมที่นี้เกิดขึ้นในตำนักของท่านพวกกระผมขอโอกาสขอท่านได้โปรดแสดงเนื้อความหนึ่งภาษีนี้เถิดพิสูจทั้งหลายได้ฟังแล้วจะได้ทรงจําไว้ จะไเกิดความเข้าใจใช่ไหมหนึ่งจำสองเข้าใจสามนำไปปฏิบัติสี่ให้เกิดผลในภาษาที่บทก็บอกว่าเออถ้าอย่างนั้นท่านจงฟังนะทําความเข้าใจกันก่อนจงใส่ใจให้ดีจงตั้งโยนที่สมนิสการให้เกิดขึ้นจะใจใจไว้ทั้งอื่นผมจะกล่าวนะว่านั้นพิกูจน์โดยท่านรับคําแล้วท่านจะจึงกล่าวว่าเอา้าเมื่อเรียสาวกรู้ชัดกุอกุศลและรากงาเงาแห่งอกุศล รู้ชัดกุศลและรากเง่าแห่งอกุศลหรอของกุศลจึงมีสัมมาทิฏฐิอย่างนี้จึงเรียกว่าเห็นตรงเรื่อมใสแนว่วแน่ในใ น, ในธรรมะคือในพระสัจธรรมมันแนวคือในโลกุตราธรรมเนี่ยถ้าแยกตรงนี้ไม่ออกถ้าแยกอกุศลไม่ออกรากของอกุศลไม่ออกรากเง่า อ, อากุศลไม่ออกแยกกุศลไม่ออกรากเง่าของกุศลไม่ออกทิกษศเหลนะ่านั้นจักไม่ มีสัมมาทิฏฐิหรอกงั้นถ้ามีความมาทิฏฐิระดับนี้แล้วคนหนึ่งรู้ทั้งตัวกุศลเออรู้ทั้งอกุศลรู้ทั้งรากเง้าของอกุศลรู้ทั้งกุศลรู้ทั้งรากเง้าของกุศลมันก็ชัดเลยใช่ไหมถ้ารู้ว่ากุศลมันแค่ไหนให้ผลอย่างไรรากของเขามีมาจากไหนอย่างไรพอรู้ชัดอย่างนี้เราจะถ่ายถอนได้ใช่ไหมพอกุศลนําไปสู่วัฏฏะนี่อกุศลนําไปเอานำไปสู่สุคตินี่ครับอกุศลนําไปสู่ทุกขตินี่ สบายสติวิบัติในโลกนีน้และท่านจะเลยแยกว่าอกุศลเป็นอย่างไรรากเงาเ่าข่งอกุศลเป็นอย่างไรกุศลเป็นอย่างไรรากเง้าของกุศลเป็นอย่างไรเป็นต้นอกุศลก็คือมันจะแยกแยกะกแจกงในการท่าตาบยังไงในการฆ่าการลักทรัพย์การประพฤติผิดในการการพูดเทศการพูดสอบเสียการพูดทำอยา่างการพูดเพืเอ่อเชิดความระโมกความปยาบามผู้อื่นนี้มีขายที่ดีเหล่า น, านี้เรียกว่าอกุศล รากรากราก้าข้าวกุศลเป็นยังไรโลภความโลภโทสะควา ม, มโกรธมหาความหลงหลงอันนี้เป็นราค้าข้าพระกุศลอันนี้พูดแบบยอดเนะ้ยจริงจริงก็ไปแจกนนเนี้ยเนี้ยที่ได้พูดไปแล้วนี่ยแล้วกุศลเป็นอย่างไรการงดเว้นในการฆ่าสัตว์งดเว้นในการลักทรัพย์งดเว้นในการพูดผิดในการงดเว้นในการพูดเท็จตอบเทียทคําอย่างเพื่อเยอะเนี่การไม่ละโมกการไม่พยาบามมีสัมมาทิฏฐิเหล่านี้เรียกว่ากุศลรากเน่าของกุศลเป็นอย่างไร โลภะคว า, ามไม่โลภอโทสะความไม่เป็นโทสะร้ายมโหาามหงความไม่หลงเหล่านี้เรียกว่ารากเง่าแห่งกุศลเมื่อใดอริยาสาวกรู้ชัดอกุศลและรากเง่าแห่งอกุศลอย่างนี้แล้วก็รู้ชัดกุศลและรากเง่าแห่งกุศลอย่างนี้เมื่อนั้นท่านกัจจ ะ, ะราคานุสยัยกิเลสที่นอนเรื่องคือราคะติดโดยสิ้นเชิงบันเทาปฏิคานุสยัยคือกิเลสที่นอนเรื่องคือปฏิฆะ เศิที่กระทบกระทั่งถอนมานานุสยัยกิเลสที่นอนเรื่องคือมานะที่เยียวยิงถืตัวที่เสมอกระทิฐิว่าระวินเราละอวิชาจะได้ทำวิชาคือปัญญาในอาหัตธรรมากเกิดขึ้นให้เกิดขึ้นแล้วเป็นผู้ทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันนี้เองด้วยเหตุนั้นนะจึงเรียกว่าสมมาทิฏฐิเห็นตรงเรื่องไต่น แ, นแน่ในโงกุตรธรรมมาสู่พระนิพพานมาสู่พระสัตวธรรมคือพระนิพพานนี้ ขณะที่พูดถึงาเพราะเก่าวยี่ปุ๊บท่านเข้าใจกันเลยไหมท่านเข้าใจทันทีเพราะเรายังไม่เข้าใจก่อนดูส่วนด้านบนต้องแยกอยู่เลยใช่มโอ้ยต้องไปพูดถึงองค์แห่งปานนาทิบาตเป็นยังไงองค์แห่งอาทินนาทานเป็นยังไงองค์แห่งการมีสมิชาจาร์เป็นยังไงอย่างไรเรียกว่าร่วงกรรมบทอย่างไรเรียกว่าไม่ร่วมกรรมบทอารมณ์ของปานนิบาตเป็นยังไงอารมณ์ของอาทินนาทานเป็นยังไง เวทนาของปฏิบัติเป็นยังไงเวทนาของปฏิณท า, านเป็ น, ย, น, ย, นยังไงเป็นต้นอะที่โอ้ยต้องสื่นตาีเยอะเลยแล้วการฆ่าตัดยังไงมีบาปมากบาปน้อยอยังไงคุณมากจัดที่มีคุณมากคุณน้อยวัดเปนยังไงอย่างนี้เป็นต้นปฏิบตัติผิดต่อพ่อแม่เบียดเบียนพ่อแม่ปูตายายายก็เป็นเบียดเบียนคนอื่นฆ่าคนอื่นโอ้ยลายเอียดเยอะหมดเล ย, เลยแต่ท่านพูดแค่นี้ท่านก็ยังเราต้องวังย่อหรือวางพิจารณา เราก็ต้องคิดตัวการจะฟังยอ่องงเลยนี่วังมือมีคนเรื่องมีสมาธิถี่สูดนะมีเป็นลักษณะยนี้และตัวสมาธิที่เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญพอมองเห็นไหมทีนี่ พอพูดเรื่องตรงนี้เสร็จปุ๊บท่านก็พูดเรื่องอาหารมีพูดเรื่องกุศลไม่กุศลแล้วรากของกุศลรากของไมกุศลเสร็จปุ๊บตีนท่านขยายไปเรื่อยต่อมาเขาได้พูดเรื่องอาหารภิกษุนั้นก็ชื่นชมภาษิตของพระสารีบุตรมีกินก็นัดแล้วก็ได้ถามปัญหาต่อไปว่าเหตุอื่นที่ทําให้อริตสาวกเนี่ยมีสมาธิทิที่เห็นตรงเรื่องใสแยเน็แน่ในโลมแต่ลธรรมมาสวด ภ, ภาถิพันยังมีอยู่หรือไม่พระสารีบุตรมี อะไรอีกเมื่ออริยสาวกูชเนรู้ชัดอาหารเหตุเกิดของอาหารความดับของอาหารและทางดำเนินไปสู่ความดับของอาหารจึงจะมีสมาทิ่ฐิโอ้โหแล้วตอนนี้ไม่รู้อาหารหรือเห็นตรงแน่วแน่ในพัะสัธรรมมาสู่พระสัจธรรมนี้อาหารเหตุเกิดของอาหารความดับของอาหารและทางเดินสุ่การดับอาหารเป็นยังไงอาหารมีสี่อะไสี สี่ชนิดมีไว้เพื่อการดำรงอยู่ของหมูสัตว์ผู้เกิดแล้วนี่คือปลาอาหารหรือเพื่อนุเคราะห์เราสัตว์ผู้แสวงหาที่เกิดคือปุรุชนและพระเสกขันอาหารตีหยางเนี่ยมีอยู่เพื่อความดํารงอยู่ของสัตว์ผู้เกิดแล้วคําว่าสัตว์ที่เกิดแล้วมีหมายถึงว่าอานารเกิดแล้วแปลว่าท่านเกิดไปแล้วพ้นแล้ ว, วส่วนสัตว์ที่ยังแสวงหาที่เกิดอยู่คือปุรุชนกละพระเสกขัน อย่างเรานี่เขารียกว่าเป็นสำเพอสี่เกิดยังต้องแสวงหาที่เกิดอยู่ยังต้องแสวงหาที่เกิดยังต้องไปเกิดเป็นสัตว์รบอยู่สัตว์เดรัจฉานอยู่เปลือยอยู่สุ ร, รกา ย, ยยายอยู่มนุษย์อยู่เทวดาอยู่พรอยไหมหรืพอพระเขคาบุคลพระโ ส, ส, สดบาบันยังต้องเกิดอีกเจ็ดชาตินี้เป็นต้นพระสกอาทานนะครับยังต้องแสวงหาที่เกิดอยู่อย่างนี้เขาเรียกว่าสัตว์ผู้ยังต้องแสวงหาที่เกิดอยู่ แต่ท่านแสวงหาแต่ที่ดีๆสำหรับเราเนี่ยโอ้ท่านต่ำทัานสูงดันั้นอาหารสนี้แหละมีอะไรบ้างที่เจนที่มีไว้เพื่อควาดมดำรงอยู่ของสัตว์ผู้เกิดและกับสัตว์ที่แสวงหาที่เกิดงั้นอาหารมีอะไรบ้างหนึ่งกับื้องกะลาอาหารอาหารคือคำข้าวอยางบ้างละเอียดบ้างอันนี้คือ o char, โอชาตัววิตามินทั้งหลายเนี่ยที่อยู่ในอาหารต่างๆ ที่อยู่ในน้ําที่อยู่ในผักที่อยู่ในผลไม้ที่อยู่ในตัวโอชา ก, อรกระโวดินกรลาอาหารตั์นั้นคือโอชาโอชาที่เป็นตัววิตามินเนียมันยิงอยู่อาหารเป็นคำคำที่ตั์ทั้งหลายกินไปอยู่เนี่ยมันแผ่ซึมซาบไปสู่ร่างกายใช่ไหมเมื่อเป็นถุงที่ลิ้นละเคี้ยวแล้วเนี่ยมันก็จะแตกออกเป็นละเอียดเลยวก็เป็ มันก็แต่เป็นอนูเล็กๆในนั้นก็มีดินน้ําไฟลมสีกินรสและโอชาเป็นอวิธโหครุมันมีแปดรูปในแปดรูปมีโอชาอยู่ด้วยโอชาเนี่ยเป็นรูปละเอียดต้องอาศัยรูปอยาคือดินน้ําไฟลมเกิดขึ้นแต่โอชาเหล่านี้เมื่อออกมาเป็นอนุเล็กๆแล้วก็วิ่งไปตามผ่านจากชิวฮาปปะสางแผ่พื้นท้าวก็ไปก่อน แล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะไหลลงไปตามลำใต้เนี่ยไหลไปไปอยู่ในกระเพาะแล้วก็จะมีเตโชธาต์ปากรายเตโชมาเผาอาหารมะเผาปเป็นเสร็จก็ทําให้อนูโอชาเนี่ยอาหารเนี่ยแผ่ซึมซาบไปตามอาวัยวะน้อยใหญ่พบ ผ, ผลที่ปันน่นหนังเนื้อเป็นต้นเนี่ยก็แตกไปเป็นชั้นๆไปเนี่เนี่ยสัตว์ทั้งหลายอยู่ได้ด้วยตรงนี้แหละาสัตว์ในการมาภูมิทั้งหลาเหยเป็นต้นเหล่านี้ก็จะต้องอาศัยเอาวินกาณอาหารนีร่แหละ ที่ทำให้ชีวิตดาเนินไปได้ใช่ไหมต้องอาศัยไหมยย่อมการดารงอยู่ของหมูสัตว์ถ้าไม่มีอาหารนี่อยู่ได้ไหยถ้าไม่มีโอชาที่สัตว์ก็อยู่ไม่ได้นี่กลุ่มรูปธรรมและยังมีอาหารอีกอย่างนะเรียกผัสสะอาหารอาหารคือผัสสะถ้าผัสสะไม่มีผัสสะเนี่ยเป็นปัใจจัยให้เกิดเวทนาถ้าไม่มีผัสสะนีน่ถ้าไม่มีการกระทบทาง ตวันตาถ้าจักขู่สัมผัสไม่มี้เวทนาที่อาศัยทางตวานตาก็เกิดไม่ได้ใช่ไหมสุกเวทนาทุกเวทนาทุกความสุขเวทน า, า, า, าทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นก็าอาศาัยการกระทบกันของนี่แหละระหว่างอะไรดีระหว่างสีจักขู่ภาษาจักขูวิญญาณทำสามอย่างประชุมกันการประชุมกันนี่แหละเรียกกระทบ เป็นปัจจัยผัสสะพราะผัสสะเกิดปุ๊บเวทนาก็ทกําติจต่อถามว่าถ้าไม่มีผัสสะือการกระทบเสียน้ำมาทำจะเกิดต่อได้ไหมถ้านำ้ำจะทำเกิดต่อไม่ได้ก็แปลว่ามันก็หมดใช่ไหมการปัจจัยทั้งหลายมีเวทนามีอะไรต่างๆคุณธรรมทั้งหลายธรรมะทั้งหลายสภาวะธรรมหลั่งละทั้งหลายก็ขาดการติดต่อทันทีเลยนั้นผัสสะเนี่ยจึงเป็นอาหารอย่างหนึ่ง ที่ห้ามทให้กลุ่มนาำ ม, มาทำทั้งหลายเนี่ยมีการสืบต่อเกิดขึ้นเป็นไปได้ทําให้สังสารวัตรมันไม่ขาดทําให้กระแสกระบวนการความคิดมันไม่ขาดมีการสืบต่อตลอดเวลาเพราะภาษาเนี่ยเป็นใจเยาวนาฉะนั้นภะาษาอาหารอาหารคือภาษาเนี่ยจึงมีความสําคัญขอบคุณมั้งขอบคุณมั้งที่เขาขยายวัจจาร์ทให้กระบวนการความคิดมันสืบต่อมาได้ทุกวันเนี่ย ทางทวาตาถ้าทางทวารตาก็เรียกจักผูสัมผ um ัสเป็นปัจจัยเกิดจักผ yeah. hmm. uh ูส hmm. ัมผัสชาเวทนาถ้าทางทวารหูก็เรียกโสตสัมผัสเป็นปัจจัยเกิดโสตสัมผัสชาเวทนาสุขเวทนาทุกเวทนาทุกปมสุขเวทนาเกิดต่อถ้าทางจมทวารจมูกก็เรียกคานาสัมผัสคานาสัมผัสมันประชุมอะไรหนึ่งกลิ่นสองคณนประสาทสามคานาวิญญาณ ตักิอย่างนี้พอไปชุมเงินปุ๊บไอตัวที่เชื่อมประสานอ่านีทำให้ธรรมะสารประการประสานและเชื่อมกันได้ตัวภัษาเป็นอาหารไหมเท่ากับัาหารต้องรู้ไหมทางตาวานลิ้นเนี่ยจะมีชิวหาประสานกับระสารมแล้วก็มีชิวหาวิญญาณ ไ้สภาวะธรรมสามประการเวลาประชุมกันเนี่ยไอ้ตัวเชื่อมปภาษาเนี่ยสามอย่างประชุมกันนี้ก็เลยผันตัดือชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยเกิดชิวหาสัมผัสสัจชาวเวทนาบางทีก็เป็นสมนัติเสวนาบางครั้งก็เป็นโทมนัตเสวนาบางครั้งก็เป็นอุเบกขาเวทนากินอาหารที่มันมีรสที่ชอบเป็นอะไรสมนัตไหมกินแลเผ็ดจัดโทมนัตเวทนา ยินอะไรกินประจําอ่ะเป็นอะไรเฉยๆเป็นทุกขเวทนามันมันมันถือว่าเป็นสัมผัสไหมครับอาจารระหว่างโทมนัสกับทุกขเวทนาตรงนี้นี่อธิบายไปเลยไม่ไม่เข้าใจอีนี่เรื่องความไม่ชัดอย่างเมื่อกี้อ่ใช่ไหมเขาบอกไปแล้วไงว่าหนึ่งฐานะหนึ่งคิวหาภาษาคือภาษาลิ้นใช่ไหมล่ะ คิวหาประจักเนี่ยคือความใสที่สามารถรับรส า, ารมณ์รส า, ารมนี่ก็คือรสเปรี้ยวหวานมันเค็มว่าไปอันนี้เป็นปัจจัยภายนอกที่ใสเข้าไปในลิ้นเนี่ยน้าลายก็ได้แล้วก็มีชิวหาวิญญาณอันนี้คือจิตที่อาศัยชิวหาประสาทเกิดเข้าไว้ละตัวชิวหาประสาทษ์รส า, ารม์ คิวหาวิญยาณทำสารประการจะเชื่อมกันได้จะประชุมกันได้มีอะไรเป็นตัวเชื่อมประาภาษาเป็นตัวเชื่อมสารประการจะประชุมกันสัมผัสกันพอสัมผัสกันพบขึ้นมาก็มีความสึกชอบใจดีใจก็เป็นอะไรสุขเวทนาโสมนัสเวทนาถ้าไม่ชอบใจทุกใจก็เป็นโภมนัสเวทนาถ้าเฉยๆก็เป็น เวขาเวทนานเป็นอย่างนี้นะในตัวเชื่อมประสานทำสามประการเนี่ยเชื่อมประสาน ร, ระหว่างจักรพปรษารเอครับไนนัปป า, าราสารมชิวหาวิญญาณเนี่ยให้ทําสามประการประชมกันเนี่ยใน ต, ตัวมันเชื่อมให้ตัวสามสามอย่างประชุมกันสัมผัสกันเนี่ยตัวนั้นคือตัวภาษาในกรณ์เขาเป็นอาหารเขาเรียกภาษาาหารอาหารคือภาษา เขาเป็นภาษาอาหารก็คือเขาเป็นปัจจัยนั่นเองคําว่าอาหารก็คือปัจจัยหล่อเลี้ยงทําให้เวทนาเกิดต่อถ้าไม่มีภาษาตัวนี้เวทนาเกิดได้ไหมไม่ได้ภาษาเป็นปัจจัยเกิดเวทนาคําว่าปัจจัยนี้ที่นั่นแปลว่าอาหาร <c oughs> ไม่ใช่เป็นอาหารเป็นคําำเนื้ออาหารเป็นคําคำใ น, นหมายถึงคารวีตาราอาหารอาหารที่หยอดเข้าไปตามคารวาลิ้นหรือทางทา ง, ทางสายยางเขว่าไปเอยพอเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเป็น โอชาเป็นวิตามินเล็กๆๆแผ่นซ่านไปทั่วตะพรางทั้งหลายไปหล่อเลี้ยงผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกให้ดำเนินไปได้เนี่ยเขาเรียกการวาริญญาอาหารก็เป็นปัจจัยก็ได้เป็นอาหารถ้าไม่มีอาหารประเภทนี้จะ แ, แสีชีวิตร่างกายอยู่ได้ไหมมันเป็นมันอยู่อย่างนี้ไหมรู้หรือไม่รู้ก็เป็นอยู่อย่างนี้ถ้าสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นเนี่ยต้องรู้ตัวเนี้ยต้องเห็นตัวเนี้ยต้องเข้าใจตัวเนี้ยก็โคว เอาไปนั่งคิดเองมึจะคิดออกไหมให้ไปคิดเองแลยอ่ะออกไหมเนี่ยไม่ออกใช่ไหมล่ะต้องฟังก่อนไว้งั้จะวิวิจัยตามที่ไหนต้องฟังก่อนถึงวิจัยตามที่ไหนเรื่องนี้นี่ยังเดี๋ยวข อ, อย่าถามบัญญัตินิดนึงครับอาจารย์มันเป็นบัญญัติเรื่องเรื่องระหว่างธงมณัตเวะทนากับทุกขเวทนา อย่างอย่างกายเนี่ยมันไปสัมผัสของที่ไม่ชอบเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงนะครับที่ที่ไม่ไม่น่าไม่น่าปรารถนาแบบนี้เรียกว่าทุกขเวทนาใช่ไหมครับแต่ว่าในขณะเดียวกันที่ถ้าเกิดว่าตรงนี้ท่นท่านยกมือขึ้นแล้วก็เหตุเขาอินเหตุอะไรมันเหตุพบเข้าไปมันมันทุกข์กายแต่ยังไม่ทุกข์ใจเลยนียถ้ามันทุกข์กายถึงเรียกทุกขเวทนา ถ้ามันปวดใจด้วยก็ทมันนะบางคนเนี่ยเ้าบ้านอาหารทั้งหลายท่านไม่มีทรมันตุเวชนะนะแล้วแล้วเผ็ดนะครับอาจารย์เผ็ดมันถือว่าทุกข์กายนะครับอาจารย์มันเป็นตกายถือว่ามันเมือกี้คำว่าไอ้รสรสที่มันไม่ชอบถ้าหามีแผลที่ลิ้นมันเรื่องกายไม่ใช่ชิวขาวกระสแยกให้ออกถ้าท่านยังเม้มกัดลิ้นตัวเองเป็นแผล นี่คือวกายนันเป็นกายยยประสาทไแล้วพายิิวขาประสาไม่ยิบิวขามรสาต้องไรู้รสต้องไปรู้ทุกรู้ความเจ็บปวดทั้งหลายเป็นกายย่อยประสา์แยกให้ออกใช่ไหมลำบากนี้ฮคมนุษย์ไม่ควรจะรู้อะไรที่ยากเลยนี่ขนากอาหาร พูดเรื่องอาหารสี่หนึงกาวริงกาลอาหารอาหารเป็นคำคำนะถ้ายังไม่ได้เป็นโปรชาที่แผ่เข้าไปยังไม่เรียกว่าอาหารครับอย่างถ้าอยู่ข้างนอกยังไม่ได้เป็นอาหารนี่ยังไม่เป็นเพราะมันยังไม่แผ่จุลธาตุเข้าไปตัววิตามินอะไรพวเนี้ยนะถูกภาษาจีนอยู่ครับภาษานช่ไห มีราชสงมีชิวแห่วิทยาประชุมกันพวกเป็นพรรษะแล้วตัวโอชาแขกึงสร้างครับก็ไปนั่นแหละเป็นอาหารตอนนั้นเละตอนที่มีโอชาแขก็เป็นแต่วิลลิงเนี่ยมาพุ้งแก้มไล่ไปทำดับไหลแล้วเป็นแล้วก็มีมีเตโชเขาก็มาเผาแล้วก็แตกออกเป็นเล็กๆๆๆหล่อไปหลอเลี้ยงนั่นแหละที่เรียกว่าเป็นอาหาร ดูดีวริญาสอนกันทุกคนจะมาลุกไหมทุกคนถ้าจะมาลุกแบบมาลุกแวบมาแล้วแต่ม่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเอาไหมคือมาลุกมาแต่ไม่รู้เลยมันแวบมาแต่ไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้จักอะไรเลยเนี่ยแต่บอกว่าบมรลุเนี่ยเชื่อมต้องระวังมาลุกแบบเรากับมาลุกแบบวุฒญาคนเดีย่างนก็จะเนี่ เราต้องการกินบรรลุอย่างพดดระพุทธเจ้าบรรลุหรือบรรลุแบบที่เราร บ, บ, บ, บ, บรรลุให้มันรู้แบบพระพุทธเจ้าบรรลุจะไม่เปิด ไ, ไ, ไ, ไปถ้าเราไม่รู้อย่างไอตัวอาหารมันเนี่ยเราก็จะไม่รู้เราที่มันสืบต่ออนอันนี้เป็นตัวทุกข์กระสับเลยนะเนี่ยที่เราต้องรอกู้ๆๆแล้วไม่ใช่ที่ตัดขาดไปการเบิกค่าในค่ามันไม่ยอมตายอ่ะ มันสืบต่อไปเรื่อยใช่รองเช่นไม่ใหไ้ไม่ให้ภาษาหาันไม่ไม่ไม่ให้กรวรินกราหารมันเนี่ยเดี๋ยวมันตายยังไม่มนุษเนี่ยแต่ภาษาหารมโนษสังเกตนาหารจิน ญ, ญานหารมันสืบต่อมันีกมนําสืบต่อเนอี่ยอาจจะภาพใหม่โอค่าตัวตายค่าแล้วค่าอีกค่าแล้วค่าอีกมันก็ไม่สืบต่อมันก็สบายสิ พากระโดดเขาตายเปนหมดทำไม้องไปเกิดต่อก็หมดแล้วชีวิตทำไม้ราไปทุกข์อะไรต่อใช่ไหมเนี่ยเมฆเดินไปเราหัวโหม่ตูมลงไปตายก็หมดแล้วเนี่ยทำไมไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยก็อาหารมันมีอยู่ปัจจัยมันมีอยู่มันก็สืบต่อพบใหม่เพราะอะไรเนี่มันโน้นเจตนาอาหารเนี่ยเป็นความจงใจเจตนากรรมเนี่ยมันนําอะไรมาเนี่ยมันโน้นเกตนาอาหารมันก็นําปฏิสทวิญญาณมาให้ต่อ ใช่เดี๋ยวค่อยๆว่าไปไม่รู้ว <c oughs> ่านี้นี่มันเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาญาณหมดเลยเนี่นนยปัญญาญาณก็ไมไปเห็นความจริงก่านมันถึงไม่เอาแล้ว ไม่อยากจะสืบต่อพบอีกแล้วไม่อยากจะเกิดอีกแล้วมันรู้สึกว่าหัวเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นตัวสภาวะทำมมันเป็นรูปธรรมน้ำนามธรรมอะไรมันทาไมไม่ขาดใช่ไหมมันทำไปสงสัยยังไ่ทำไมไม่ขาดนักวิทยาศาสตร์อาหารไม่เจอมันเป็นกลุ่นนามธรรมในกลุ่นรูปธรรมยันพอเห็นหน่อยนึงแต่ว่าเจาะไปนามธรรมที่มันสืบต่อพบใหม่อยู่เรื่อยเน่ยเช่นในตัวผัสสารเนี่ยมันเป็นตัวเป็นอาหารของเวทนาเราก็ไม่รู้ ทังตาตาทวารหูตวารจมูกทวารลิ้นตวารกายทวารใจพอเรียนเรื่องมโนสัจเจตอาหารกับตัวกรรมที่เราเรียนกันมาเนี่ยนะทั้งกุศลกรรมกุบวิศนกรรมทั้งหลายอะไรเนี้ยเกิดจำนวนและความจงใจทั้งหลายอะไรเนี้ยให้ตัวกรรมเหล่านี้มันก็มันก็นำปฏิสัณฑ์มาให้ต่อยเ่้มไ้แล้วมันนำปฏิสัณฑ์วิญญาณนี้สืบต่อครบใหม่ไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆเอาที ทีนี้มันยังมาวิญญาณอาหารนี่ทาหน้าที่เกิดเลยวิญญาณอาหารจะนำเจเจตสิกและกรรมมาชโลมมาให้ก็ยีพอมีปฏิสนิทิวิญญาณปุ๊บมันก็เป็นอาหารของกลุ่มนามมาทาเตรงนั้นเห็นแล้วตอนนี้เห็นแล้ว เ, เห็นแล้วเห็นแล้วโอเคแล้วต่ตัวตําๆนั่นแหละฉันเห็นครั้งนึงฉันลืม โอเคแต่เนี้ยได้และยอมไม่ต้องขึ้นมาแล้ะเปิดเองผิดเองเราเห็นไม่ได้ตัวเนี้ยเราไม่ได้เข้าใจโอ้โหมันเป็นอย่างนี้นี่เองตัวปฏิสนทธิวิญ ญ, ญาณ น, นำเจตสิกและกรรมไชสรุปมาต่อยเวลาเจพอพอปฏิสนทธิวิญ ญ, ญาณ ตั้งขึ้นมาปุ๊บมันไม่จะมีแค่วิญญาณอย่างเดียวไม่ใช่มีปฏิสัณฑ์ที่คืตัวนําเกิดอย่างเดียวในนั้นมันมีเจดสิกรรมด้วยมีเวทนาขันเรื่ญงยาขันเรื่งสารขันใช่ไหมเป็นอุปจยาะเลยหรอครับมันเกิดพร้อมกันเลยมันก็เป็นปัจจัยกับมีกลุ่มนมามธรรมเกิดต่อและในขณะเดียวกันถ้าเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเนี่ยก็มีกรร ม, มชรุกเกิดพร้อมกันในขณะนั้นซึ่งต่อไปเลยนี้ให้กรรมมชรุกเกิดเช่น เป็นเม้งเกิดครั้งแรกเนี่ยปฏิสตุนีเดชคันของคุณแม่เนี่เป็นจระละใสใ ส, สแต่ว่าตอนนั้นน่ยปฏิสตธนีวิญญาณต้านขึ้นที่เป็นวิญญาณอาหารในตัวปฏิสตธิีวิญญาณ น, นั้นมีเวทนาอยู่ในนั้นด้วยมีสัญญาขันอยู่ในนั้นด้วยมีสังขารขันอยู่ในนั้นด้วยและมีนี่คือกลุ่มนามธรรมเนี้ย น, นามขันตีวิญญาณขันมีแล้วใช่ไหมครูตัวปฏิสตธนวิญญาณ นี่เป็นวิญญาณขันตัวเวทนาเจวเวทนาเป็นเวทนาขันต์อยู่ในนั้นนะเนี่ยนี้เป็นนปฏิสนิยุยานเป็นปัจจัยเป็นอาหารเป็นอาหารนำํนำนาเวทนามานําเวทนาขันต์มานําสัญญาขันตานําสังขารขันต์กับกลุ่มเกเรศกรฐธรรมอื่นๆที่เกิดร่วมเนะี่ยมาและไม่พอนะยังนําปฏิสนธิกรรมเชรูมาด้วยตอนนั้นมีกายยะทะัสกัสคาราว ภาวะท่าสักกะรามวัตถุท่าสักะรามกายยะทศาตเนี่ยตอนนั้นะมีกายยะประสาทตั้งขึ้นแล้วมีกลุกายะประสาทกลุ่มหนึ่งขึ้นและเป็นโรคใสๆเป็นน้ํำใสๆกระละเนี่ยแล้วมีภาวะมีความเป็นเพศหญิงเพศชายเกิดขึ้นแล้วตอนนั้นแล้วก็มีหัตถยะวัตถุอันเป็นที่ตั้งของวิญญาณเนี่ยหัตถยาต่าเกิดขึ้นมาแล้วเป็นที่อาศัย นี่นแหละมันเกิดขึ้นมาแล้วทั้งๆที่ไม่ได้มีรูปร่างส่วนสารใดๆเป็นน้ำเลืใ ส, ยใสยอยู่นั่นแหละรูปธรรมเกิดขึ้นแล้วก็เลยกำเนิดลูปสามกลุ่มกลุ่มกายะกลุ่มบาวะเพตยรแล้วก็กลุ่มวัตถุวัตถุในที่นั้นไม่เรียกหัวใจก็ได้ก็เป็นที่อาศัยของนํามาทําเกิดตั้งขึ้นได้ในขณะปฏิสนธฑ์ทนาดในรูปก็น้ําก็เป็นปฏิสัณฑ์วิญญาณแล้วก็กลุ่มที่ประกอบกับ ปฏิสนธิวิ ญ, ญญาณก็กลุ่มนา ม, มาทำทั้งหลายเป็นชาชากต่ธรรมะเกิดพร้อมกันกับนามาทำเกิดกับวิญ ญ, ญาณนั้นแล้วก็มีกลุ่มรูปธระทําเกิดขึ้นใหม่ถาวปฏิสนธิวิญ ญ, ญาณเนี่ยเป็นอาหารของอะไรนําอะไรมานํากลุ่มเจตสิกและกรรมมาช่วรูปตั้งขึ้นณขณะนั้นไอตัวปฏิสนธิวิญ ญ, ญาณเนี่ยมีอะไรเป็นอาหารมีมโนโสันเจตนาอาหารมีกรรมเนี่ยมีกรรมนํางนำปฏิสนธิมาให้ทําให้เกิดต่อทําให้มีทําให้พบชาติไม่คา ใช่ตัวกรรมตัวเนี้ยมาโดนเจตนาอาหารเนี่ยเป็นปัจเป็นอาหารของของของวิญญาณทีนี้ไอ้ตัวกรรมเหล่าเนี่ยนมาจากอะไรอีกเนี่ยตัวกรรมตัวนี้มาจากอะไรเนี่ยมันมาจากกรรมที่เราทํากันทั้งหลายปัจจุบันเนี่ยมันได้โอกาสมันก็นําปฏิสนธิญญามาให้ไอ้ตัวปฏิสนธิวิญญาณจะนําเจตสิกและกรรมชั่วโลกมาให้แล้วเน่ยเข้ากับพัฒนาการไปเรื่อยๆก็เป็นอนิจจังฐาขึ้นไปเจริญเป็ตัวขึก็ม า, ามาเป็นเนี่ย เริ่มมีรูปประทําก็เริ่มมีปุ่มห้าปุ่มหม อ, อ ก, ก่อนปุ่มหนึ่งฟิสาปุ่มหนึ่งสองปุ่มแขนสองปุ่มกระเพาะขาแล้วก็พัฒนาการก็มีผมบนหลกงันขึ้นมาตามลำับเนี้ยพัฒนาการแบบนี้นะวิปัสสนาญาณเห็นหมดนะเนี้ยไม่ยอจริงเต้นเวลาไเห็น น, หนี่แหละฟิิกส์ศาสตรส์เห็นได้แค่รูปใช่ ปฏิปสาาัญญาณเหนื่อนั่งรู้เป็นแนวนี่เป็นอย่างนี้เนี่ยถ้ารู้ชัดอาหารใช่ไหมรู้ชัดอาหารรู้ชัดเหตุเกิดของอาหารรู้ชัดความดับของอาหารรู้ชัดปฏิปทาข้อปฏิบัติเข้าไปสู่การดับของอาหารถ้ารู้อย่างนี้ท่านจะเรียกว่าสมาธิไม่ยังไม่รู้ยังไม่เรียกสมาธิก่อน นี่เดินยากตั้งีินยั้งี่สมาที่ก็เดินยากนะแค่สมาที่ผีก็เดินยากแล้วอ้าวเดินกรรมาชัตมาที่ถีก่อนแล้วอันนี้มันเป็นตัววิปัสนาอยู่อออันนี้อันนี้เด well well. ินน้าวิปัสนาเมื่อกี้พูดกันกรรมไงกชัดกุศลกุศลใช่ไันเริ่มต้นต้องคนนั้นก่อนแต่บางคนยังไม่รู้เดินนี้เลยจะไปเดินีวิปัสนาอีกอันเข้าใจ ยื้อเดินย <ator il> <ğim> ังไงเดินยังไงมองไม่ห็นมองไม่เห็นช่องทางเหไหมสวยไหมยากครับยากสุดเลนะเหมือนต้องเีนวิทยาศาสตร์เป็นรเรื่องเลยับ อะไรเป็นเหตุเกิดของอาหารตัณหาตัณหาเกิดความนี่ใช่ไหมในตัณหาก็เป็นเหตุเกิดของกอริยานาอาหารตัณหาก็เป็นเหตุเกิดของปัตตาหารตัณหาก็เป็นเหตุเกิดของมโนสังเจตนหาตัณหาก็เป็นเหตุเกิดของวิญญาณอาหารนี่ยตัณหาเกิดในอาหารก็เกิดถ้าตัณหาดับอาหารตรงนี้ก็ดับการเกิต่อดับเลย นหาจับก็จับอาจจะมีชีวิตอยู่เพื่อให้หมดอายุไขนั้นอย่างพระพุทธเจ้าเหรอใช่ไหมท่ันหาดับที่ใต้ต้นประศรีมาโพแล้วต่อมาอยู่อีกแปดสิบปีจะอยู่อีกสี่สิบห้าปีชวิตอาหารติดต่อไปนี้ตระเวนอาหารหมดที่ยังหมดพัฒนอาหาร้งหมดบรรลุสังเกตอาหารทั้งหมดสัญญาณอาหารทั้งหมดนักนคืออนิพาน ก็เดินข้อไหนหเดินสมาธิถี่สมาธงกัะปากอีกตนใช่ไหมเท่นั้นอาหารเนี่ยเป็นทรรมจรงวันดับไหมเนี่ยวันดั บ, ดบปฏิบัตธรที่จะให้ถึงการดับของอาหารก็คืออริยมรรค์ตดูสมาธิถี่นี่แหละที่ไปเห็นความจริงคนตอนนี้เราได้แล้วนะเราหลับสุดตามสมาธิถี่เข้ากาวเนะ อยากอยอมขอศีลพ้าก็บอกึกขาปวดให้เอาวิปัสย์ใ่ยอมอยากได้สมาธิผ้ากระบอกกรรมาฐานยอมอยากได้ปัญญาพ้าก็บอกสุจริตตอนนี้ยอมอยากได้บองมาหนอ่อยนี่แล้วอยากได้ปัญญ า, ากระบอกศึกริบอกข้อมูลไล้ทีนี้ ยากไหมไม่ยากนะค่อยค่อยคุยทำตามค่อยค ย, ค ย, ค ย, คยไม่มีอะไรยากอันนี้เรียนเพื่อที่จะให้เกิดสมาธิผีให้เกิดเพื่อเพื่อเดินวิปัสสนาเพื่อให้ไปเห็นสิ่งนี้ใช่ะะไหมให้รู้ก่อนให้รู้ก่อนนี่ก็พอฟังแล้วรู้ไหม ก, การรู้นี่เป็นอะไรเป็นความเี็ถูกต้องใช่ไหย เป็นไปตามแมวที่ยัเดิมเลยไปาำทำไมถ้าไม่บอกพวกนี้ก็ไม่รู้นี่คือสมาธิยอดกลับไปหน่อยจริงๆจะเบื้องต้นจริงๆที่รู้กรรมปัจธุบันสมาธิที่จิงใช่แล้วก็ต่อมาก็มารู้เรื่องอาหารอาหารสีพูดเรื่องกระิงกะาอหารพูดเรื่องผัดซ่างอาหารผางอาหารเข้าใจท่นะ้ การประชุมกันของทางทวารตามของจมู่เลแ้งกายมีการประชุมกันพระปราศเาาข้าเป็นพรใจเกเรทันเนี่ยถามว่าใครเป็นคนนําเวทนาม า, า, าพระปรเพราะอะไรเพราะพระาเป็นอาหารตรงนี้นะแล้วใครนํานกะวลินกราอาหารมาให้อาหารเป็นคำคำนอาหารเป็นคำคำนี่เลยทีเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายใช่ไหมอาหารก็คือทําให้กราชกายนีน่เป็นไปได้ อาหารหยา บ, บ้างหรือเยดบ้างนี่แหละทําให้เขาก็เป็นปัจจัยให้ร่างกายดําเนินไปได้เียเราก็จํางใจอาหารแต่ละวันแต่ะวนันเนี่ยเนี่ยคารินกะลาอาหารสาคัญไหยทีนี้อาหารที่เราหยอดอาหารเพื่ออะไรมันจะได้ตามมาอย่างนี้โอ้ยเพื่อให้กายนี่ดําเนินไปได้ก็ื่จะได้เป็นรูปภาพจริงนาทีเราจะได้ฝึกเราต้องาารักษาชีวิตแล้วเพราต่อไปเราจะเดินปัญญาไม่ได้เดินศีลเดินสมาธิเดินปัญญ า, าก็อาศัยมีอาหารการ์บิงกะอาหารนี่แหละ ฉะนั้นที่เราหาอาหารจะมาใส่กระแสชีวิตเนี่ยมัไม่จุดหมายเราก็จะชัดขึ้นแต่ก่อนจุดหมายเราเนี่ยหาอาหารกินไปวันวันไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยหรืว่าไม่เจอแต่ตอนเนี้มันมีจุดหมายชัดแล้วไม่ต้องดูแลร่างกายไว้พอใจยังมั้งต้องดูแลอรร่างกายนี้ไว้เมื่อร่างกายนี้ดําเนินไปได้ดีเรามีจุดหมายชัด เพเราจะได้จะเดินศีลสมาธิปัญญาจะได้เดินมากระยะมากวีองแปดเนี่ยผมก็เจอทั้งนั้นเราพ้นทุกข์ไม่ได้เนี่ยจะร่างกายเราพิกลพิการเนี่ยง้อยเบี้ยเสียขาอ่อนแรงลงไปฉะนั้นต้องขลาดในการหากวรวิรหาหารนิจฉัยในร่างกายให้ร่างกายดาเนินไปได้ให้ยืนได้เดินได้นั่งได้นอนได้ให้มีคุณภาพชีวิตผมหัวเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตปอดเส้นใยใหญ่เส้นใยน้อยเนี่ยมันสมองเป็นตัวอะไเนี่ย จะต้องมีกววระวินกระลาหานเนี่ยเป็นตัววิตามินเป็นโดโอชาที่ไปหล่อเลี้ยงจะต้องต้องดูแลให้ดีแต่เรามีจุดหมายนะมาเแต่ ก, ก่อนเพื่อเพื่อเทิรนเพื่อบรรุงผิวเพื่ออะไรต่างๆให้มันตอบมันจบไปแล้วว่าเราเข้าใจอาหารชัดแล้วจุดหมายวัตถุประสองค์อาหารมีแค่นี้มีชัด้ยแน่นอนี่ยอะไรเราต้องรู้ต้องเราจะให้อาหารจะละค้างเนี่ยโอ้โหเราจะยอดอะไรเข้าไปยังเริ่มเข้าใจชัดนั้นโอ้โหต้องรู้ชัดอาหารจริงๆ ต้องรู้ชัดเหตุเกิดของอาหารด้วยใช่ไหมต้องรู้ชัดอาหารเหตุเกิดของอาหารความดับของอาหารแล้วข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับของอาหารต้องรู้ชัด <c oughs> ต่อไปก็รู้จับธาตุอาหารภัตุอาหารอาหารคือภาษาโอ้ยภาษาที่เป็นตัวประชุมกันของสรรวิธรมเองทั้งทวาราก็จับคู่ภาษ า, า, ษาตาและก็ตัวรู้อารมณ์แล้วก็ตัวจักจิญญาณ ทำสามประการประชุมกันได้เพราะตัวจักขู่สัมผัสผัสสาที่เป็นประชุมนันทวารตาเนี่ยให้รูปธรปรมได้นามรทำสัมผัสกันเนี่ยประชุมกันเนี่ยพอประชุมกันปุ๊บยิ่งจนเห็นปุ๊บเนี่ยชอบใจสุขเวทนาไม่ชอบใจทรมนัสเวทนาเห็นจนชินอเวขาเวทนาโอ้นี่เห็นแล้วโอ้มันเป็นอาหารพระเวทนานี่ประตานใช่ไหม ต่อไปเราก็ไม่เพิดเผยละลูกมันนี่มดูแต่ละครัง้งผัสาหานังตวันตาจากหูสมัมผัสทำงานแล้วจากหูสัมผัสชาสุขเวทนาจากหูสัมผัสชาทุกเวทนาจากหูสัมผัสชาอุเบกาเวทนาเพื่ออาจทุกข์เข้าสุขเวทนาอ้วเเวทนาต่อไปตามมาด้วยอะไรตามมาด้วยตัณหาเวทนาเป็นบรรยากาศตหาดิใช่ไหมชอบใจไม่ชอบใจ้ชอบใจออกมาไม่ชอบใจ ถ้าชอบใจปุ๊บเนี่ยก็อยากจะได้ไม่ชอบใจอยากถักออกใช่ไหมเป็นการปัญหาแสวงหาเป็นเพราะว่าปัญหาอยากให้มันมั่นคงเป็นนี่เพราะว่าปัญหาอยากพ้นสีแบบนี้รูปแบบนี้อยากจะพ้นโอ้เข้าใจไปเยอะเลยนะี่เนื้อเวทนาเป็นไป ใ, ใจแก่ปัญหาปัญหาเป็นไป ใ, ใจแกนน่อุบาทบาทยึดือยึดมันในรูปยึดมันในสี อุปทานเป็นปัจญาเกิดกรรมมาพบโอ้โหทกรรต่ออยแล้วเพราะเป็นปัญญาเกิดชาติโอ้โหนี่มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นมาชาติเป็นปัญญาเกิดชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนาสตอปายาตความเกิดขึ้นเห็นว่ากระทบมีได้ด้วยอาการอย่างนี้โอ้โหชัดเลยนี่ใครเห็นอย่างเดียวนี่โอ้ปติจจสมบัติไหลเป็นแถวใช่ไหมนั่งรู้ไหมเนี่รามันมันเกิดต้องมันอยู่อ่ะ ก็คุณต้องมีการมีสมาธิเถี่ะทํงงางการเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงมาสู่พระสัตธรรมนี้มาสู่โลกุตรธรรมนี้ต้องการจะเข้าถึงพรนิพพานก็ต้องรู้ไม่รู้จักยิงคนทุยิ่งไงอันนี้มันคือชีวิตจริงๆร น, นี่ก็แต่ชีวิตี่กระบวนการของชีวิ ต, ม, ม, ม, ม, ม, ตมันเป็นอย่างนี้คุณไม่รู้ก็อยู่มึนๆกับมันไปแต่ความจริง ม, มันเป็นอย่างนี้นี่เราพากลับเขาจริงไหมมันมันเป็นมันอยู่เงี้ยไม่รู้ก็ได้ ใช่ไ้มก็ได้แต่ก็สืบต่อไปเรื่อย เ, เอาสินี่ตกลงจะรู้หรือไม่รู้มไม่เห็นแต่ละครั้งก็มองอยู่นี่แหละมองอยู่เลยจะผูดสัมผัสเราจะุูดสัมผัสสชาวเวทดนาต่อไปก็ตั้หาต่อไปก็อุปาทานต่อไปก็พวะและ้วชาติชร า, ามรณาโสกับปปริเทวะทุกขโทรมและตัออ้าญญางวายาการเกิดแห่งกองทุกมีได้ด้วยการอย่างนี้ก็จบลงอย่างนี้ทุกที มีแต่สายเกิดท่องเบาสายดับไม่เกิดสักทีเลยเพราะวิ ช, ชาไม่เกิดพอสมาธิสติเกิดวิ ช, ชาเกิดไม่ไมันไม่ต่อนะอยกก่กตัวอย่างเช่นจากคสัมผัสสากระทบกันระหว่างตาสีจากคูญยานประชุมกันาาเป็นจากคูน้ำภสษาภาษาเป็นไปใจกระเวนนาส ต, ติสับไปชัญญักมาเลยตัณหาไม่เกิดใช่ไหมเพราะตัณหาเนี่ยแหละดับ ด้วยการละคายด้วยปัญญายามด้วยสตินี่แหละเพราะตัณหาไม่เกิดตัณหาดับใช่ไหมอุปาทานเพราะอปาทานดับพบกันพบแต่กับชาติชทราหมนะาดเลยนะโสขะจับหมดเลยความดับเห็นว่าจะทุกข์นี้ได้ด้วยการอย่างนี้องค์กิเลสไม่เกิดต่อแล้วเพราะจากการเห็นเนี่ยถ้าไม่รู้ตลอดสายก็อูมาเพียบนะข้าจะเข้าไปดูอะไรสวยๆดูพวกเขา ไหมไปดูวกเขาดูน้ําดูทะเลดูดอกไม้ปุ๊บ อ, อาศัยตาอาศัยสีอาศัยจักรุญญาทํามอย่าไปชมเป็นภาษาโอ้ไม่ยช ส, าาสัต<ม>ว์บุคคลสภาวะทับเกิดภาษาเป็นไปใจเาวเวทนาชอบใจไม่ชอบใจเป็นทุกเวทานาที่เคยเป็นเบี้ยวเขาเวทานาเวทนาเป็นไปยากัญญามีตัดตัดตอนเลยนะกำลังรอบรู้โอ้ดีรู้ทานตัญญาไม่เกิด พอตั้หาไม่เกิดตังหาดับอุปทานก็ดับกรรมก็ดับก็เป็นกุศลต่อวิชาก็คือเกิดความรู้เป็นความเข้าใจทุกครัง้งโอ้ฉลาดแล้วทีนี้แวี่องทางของการตับอาหารยัไม่รู้ดับยังงดับอย่างนี้ใช่หต้องรู้ไหมมองไปนี่เนี่ยมองมันไปชมตลอดไหม อาทางสวานหูบ้างเดีนี้เสียงรตประสาทรตวิญญาณประชุมกันเป็นโสาสัมผัสชอบใจเป็นพอเวท น, นาเกิดขึ้นตหนาเกิดไหมชอบอยากจะฟังถ้าไม่ชอบใจเป็นเป็นทุทกขเวทน า, นาอยากผักหนีไหมเป็นวิวัตสนาอยากพ้น โอ้เครียดตามมาป่าตามมาเยอะเลยตรงนี้อาจจะเข้าใจกระบวนการของการเกิดขึ้นนั่งอยู่ดับไปนี่สติสัมปชัญญะเพฟังเพื่อศึกษาฟังเพื่อเกิดปัญญาฟังเพื่อเกิดสติสัมปชัญญะอู๋ตระหนไม่ได้มาเกิดเลยตรงนี้ฟังเพื่อจุดหมายในการที่จะรู้ตามความเป็นจริงโอ้โควนไหลเป็นแถวไปแนวเลยทีใช่ไหมมีปัญญาเกิดขึ้นได้โดยทางแบบนี้ยาก อาหารก็สามก็มโนสเจตนาอาหารแล้วตัวเจตนากรรมหความจงใจที่จะเป็นกุศลอกุศลนี่เพื่อมโนจิตเจตนางั้นกรรมที่ทำทุกขณะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเดินโดยว่ามโนกรรมที่เราทำไปเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเนี่ยแปลว่าเพราะเชื่อปฏิสีิเรียบร้อยเขาเรียกว่า พเพราะเมล็ดพันธการเกิดเรียบร้อขนาดนั้นเลยนะไม่ใ อ, อย่างเช่นบาปเกิดขึ้นแล้วเขากรรมบทบุญเกิดขึ้นยกอยาง ก, การตังเนี่ยเป็นมโนกรร ม, มเป็นกุศลใช่ไหมเป็นสมาธิที่ดีไหมเป็นเจริญจำนองเป็นปามจงใจเป็นความตั้งใจที่จะทําให้กุศลเกิดขึ้นไอ้กุศลประเภทเนี่ยและมีเจตนาแบบไห น, น ถ้าอย่างนี้เจตนาแบบนี้ไม่เป็นมโนสังเกตนาเป็นกรรมที่จะดับวัตถุก์แต่คนไม่รู้กันก็ไม่ได้ตั้งเจตนาอย่างนี้ใ่ไหม อ, อ๋อจะเป็นลักษณะอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นว่าสมมต่หนั้นพอฟังก็เกิดเครียดโกรธขอให้ผู้พูดจะไม่ปัด นี่โคตกรรมหมดนี่นะไอกรรมเจตนากรรมอย่างนี้นะไอวิบากนี่มีอันเป็นไปเท่าไรจำเป็นได้ความจงใจที่เป็นพยาบาทมโนทุจริตหนึ่งโกรธ ส, สองทิฏฐิวิบัตาเนี่แปลว่าเพราะเชื่อบริสุทิถ้ากรรมนี้นำเกิดก็จะทําให้เกิดเป็นคนในอายุสั้นมีโครคไข้ให้เจ็บมันนี่นะนี่แปลเพราะเชื่อเถอเนี่ยไอมโนทิฏฐเจตนาอาหารจะทําทให้ ปฏิสนธิวิญญาณถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพแมีกระแสชีวิตแย่มันจะไปตั้งปฏิสนธิวิญญาณแล้วก็กรรมชีริตที่มีคุณภาพแย่ๆใช่ไหมมันพอเชื่อรอจังหวะพอใกล้จะกระแสชีวิตที่จะหมดปุ๊บ ก, กรรมประเภทนี้นจะรอให้ผลในขนาดในขนากใกล้ตายอย่างนี้เป็นต้นมันจะเพาะไว้เยอะหมดเลยตัวเชื่อกำแบบนี้แต่าาถ้าเป็นกุศลพอฟังไปออ้เป็นกุศลแต่ไม่ได้มีเจตนา ไม่มีเจตจำนงไม่ได้เป็นปัญญาที่เป็นไปโพชุ่มเลยฟังแล้วโอ้ยชื่นใจสนุก ฟ, นฟังแล้วเด็นกุศลฟังแล้วอยากจะให้ทานอยากจะล้างตาสีอยากจะเจริญกุศลไม่อยากไปอบายสัตว์และอยากจะไปเกิดเป็นสุขติเนี่ยนะเพราะเชื่อเหมือนกันเพราะมนโนกุศลมนโนกรรมนันเกิดขึ้นนักการสันนี้ให้ผลเพ้อปูรลึกได้ในขณะที่ฟังทำเนี่ยนะกุศลชนิดนี้ให้ผลจะนำปฏรรปิสนธิเป็นรุหรือ่ทิวดาต่อไปอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้ตัวเจตจำนงมโนสตเจตนาหาน มันก็นำปฏิสนธิวิ ญ, ญาณเพราะเชื่อปฏิสธิวิญญาณให้หลายชนิดแต่ถ้าหากเป็นเจตนาที่เป็นไปกับมรรคกรรมทำสมาธิถี่สมาธิกระปากเกิดขึ้นต้องการรู้ตามความเป็นจริงไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวมีวิบากที่ไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมต้องการจะจับทั้งหมดเลยมันจะเป็นเจล็ดจำนวนมและเป็นไปใจัยตัววิปัสสนาญาณแล้วก็จะทําลายกิเลสการมองเห็นไหมมันอยู่ที่ว่าเราจะตั้งเจตนาอย่างไร แล้วรู้จุดหมายอย่างไร euh. แล้วเราศึกษาธร plaque, รมะตามธรรมะปฏิบัติกรรมฐานนี้จะได้ประสบจะระ้ายมีมีจุดนี้มุ่งมันแนวเนี้ยนะเหมือนเราขับรถจะกลับบ้านมันมีจุดหมายถึงอันนี้เดิมที่มันเริ่มชัดใช่ไหมเด <SOUND> ี๋ยวนะ้ทุกอย่างที่ทำกิจกรรมที t ่ทําเนี่ยที่ทําทั้งหมดนั้นจะมีจุดหมายเดียวเลยนอกจากนั้นคือผลพลอยได้ถ้ายังไม่ถึงจุดหมายนะั้นมันก็คือทาง <c oughs> ใช่ไหมคิดอย่างนี้ตลอดไหมนี่คือทางผ่านสุขติภพคือทางผ่านการมีราบตะการละหลายคือทางผ่านแต่จุดหมายของเราคือคนทุกเท่านี้เริ่มชัดไปตรงนี้เออแต่ยิ่เจตนาเริ่มเริ่มโอเคขึ้ยังไงก็มีจุดหมายคือคนทุกมิ้นเริ่มชัดไปตรงนี้เออถ้อย่างไงี้ยือจุดหมายอย่าง อ, างอื่นการให้ทานกันเนี่ยเป็นแค่ แต่นเป็นจุดหมายที่เราตั้งไว้สูงสุดของเราคือต้องสละั้หมดสละที่เหนและของทุกแต่ในระหว่างทางมันต้องเจอแน่นอนเช่นเราจะกลับไปกรุงเทพเนี่ยถ้าจะไปสายเชียงรายมัต้องผ่านจังหวัดต้องผ่านพะเยาต้องเข้าแพ่เข้าหน้านแล้วก็หน้าแพเนี่ยเข้าไปเลย อ, อุตรดิตถิโลกได้ไปตามลำดับที่จริงก็คือไปกรุ ง, รงเทพแต่ผ่านที่จีน แล้วก็จังหวัดเข้าไทยหน้าเข้าจิ๋งบุรีเข้ายุธยาแล้วก็เข้าเข้าปทมกรุงเทพเออเนี่ยมันจุดแต่ไม่ใช่จุดหมายเราเนี้ยแต่กรุงเทพเป็นจุดหมายชัดไม่ชัดน่านไประหว่างทางเราก็ดูได้แต่ถ้าจะไปแวะจะแวะจะตั้ตักงตั้งตั้งต้งเลาจุดหมายคือกรุงเทพ นี่เป็นการเกิดหมายฉัคือพระิาพา น, กก น, น, ทนที่การป้อนใจกิเลยไปตองทุกข์ทายชัดไหมถ้าอย่างนี้มันจะชัดข้อสีวิญ ญ, ญ, ญาณอาหารวิญ ญ, ญาณอาหารก็คือตัวปฏิสทติวิ ญ, ญญาณปฏิสทติวิญ ญ, ญาณก็นำเจดิติกและกรรมมารวมมาให้ อย่าได้พูดไปแล้วไอ้ตัวปฏิสัณฑ์วิญญาณที่พูดเนี่ยแค่ปฏิสัณฑ์ในเป็นตัดในรอกก็เป็นพวกโอปายชกานแต่มีปฏิสัณฑปฏิสัณฑ์ที่เป็นตัดในร้าชานปฏิสัณฑ์ที่เป็นเปรยปฏิสัณฑ์ที่ในในอสุรกายปฏิสัณฑที่มนุษย์เผ่าพันธุ์ไหนปฏิสัณฑที่เป็นเทวดาก็เป็นพรก็จะต้องมีวิญญาณตัวนี้แหละวิญญาณตัวเนี้ยเกิดมาจากมาจากอะไรมาจากกรรมแต่งปฏิสัณฑ์วิญญาณ นั้นเรามีปฏิสนธิวิ ญ, ญญาณรอเราเยอะมากมันจะมารายงานมัน อ, อารมณ์ไหนกรรมไหนมันชัดนึ่นนึงที่เราทํามาทั้งหมดเนี่ยแปลว่ามันเจ็บไม่เรียบร้อยหมดได้ตัวกรรมเนี่ยตัวตัวกรรมเนี่ยมันจะมีทั้งตัวสังวิธานิกิจจา ก, กพีชานิทานกิจจําได้ใช่ไหที่พูดมาหนึ่งความสําเร็จเป็นกรรมเรียบร้อยแล้วสองเจ็บเชือ้อของกรรม มิ้งโดยที่ตแต่เกิดมาหรือตั้งแต่ไม่รู้กี่พบไปที่ทํำทํามาทั้งหกรรมจนนั้นน่ะแต่ละที่เราทําแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันสำเร็จผลนะสวดมนต์แต่ละครั้งเจริะบุตรสนแต่ละครั้งให้ทานแต่ละครั้งบาปแต่ละครั้งอะไรก็แล้วแต่ที่มันแตรกทั้งที่มันพบกรรมบุทั้งหลายเนี่ยแปลว่าสำเร็จผลแปลว่าอีตีปโสภาคาร์เี่ที่สวดน่ยตั้งใจไม่ตั้งใจมีปัญญาไม่มีปัญญากั๊มเลยนั่นสำเร็จหมด เมื่อสำเร็จแบบว่ากรรมที่เลราเผลอที่เราสวดเบลอมง ง, งเนี่ยสมมติเนี้ยสวดแต่มไม่ค่อยตั้งใจตรับประบอกบ้างกรรมบางเล่นสำเร็จผลแต่เป็นกรรมที่มีโมหแ ะ, แมมะแวดล้อมมีธีนะมีท้แวดล้อมเวลามันให้ผลมันก็เป็นกรรมเป็นกุศลรกรรมที่คุณภาพอ่อนแอเราจะเวลามันนำปฏิสุทธิวิ ญ, ญญาณก็มีปฏิสุทธิวิ ญ, ญญาณที่มีคุณภาพอ่อนแอเลยแล้วก็ได้จักขุป萨โาสต菩萨ก็น่าเบื่อจักขู่โสตานาชิวหากายะ ถ้าเราถึงมโนคือตัวผวางเนี่ยผวางที่มีคุณภาพไม่ดีเป็นผวางตัวปรฏิสุทธิวิญาที่มีคุณภาพต่าซ่อมทั้งปีเลยซ่อมทั้งชาติเลยนี่ได้คุณภาพไปดีมัาแต่ทับได้ตัวนั้นดีๆมาโอ้โหตัวเนี้ยฉลาดปากเกลื่อนมากทั้งรูปธรรมและนามธรรมต้นมาจากกรรมที่มันดูหูิจิตเป็นจงมากเข้าใจใช่ไห ม, มันแต่ปรฏิสุทิซสวยเลย กายมันใช่ดก็สวยงามปฏิสุทธิที่ก็สวยงามโอ้ยสวยหมดเลยงามหมดเลยวิกิตปัญจมหมดเลยว่ารูปธรรมงดงามอผมคนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตไตหัวใจตับปอดไต ใ, ใหญ่ไตน้อยาหารใหม่หารตับมันสมองเนี่ยโอ้ยวิกิตปัญจมมากเพราะมาจากกุศลกรรมที่แต่งอย่างดีมันจะทางกุศลสิ่กุศลที่แข็งแรงมากแล้วมันจะปัญญากุศลอีกตัวนามธทําก็มีปฏิสุทธิวิญญาณมีปัญญาเกิดร่วมด้วยมีความไม่โลวมมีความไม่กมด สมบูรณ์หมดเลยอย่างที่พุทธเจ้าพระทัยบุดเป็นต้นโอ้โหเหมืองานติ๋งมีมาจยากรรมที่มีคุณภาพดีมเหมือนได้อีกอัน ไ, รรไหลรถเนี่ยยังเป็นเครื่องรถไหมแต่ถ้าหากว่ามันอยู่ที่ว่าที่เราทำกันแต่ละขนาดขนาดเนี่ยเวลาทํากุศลตั้งใจแค่ไหนแล้วมีปัญญาแวดล้อมมีศรัทธาแค่ไหนมีความเพียรสติสมาธิปัญญาเนี่ยนะอลังการาแค่ไหน ตัวกัเลยถึงถ้ามันมาแบบขัดขาดกันเกินมันก็แล้วดูคุณภาพให้ทานเหมือนกันกําลังกุศลไม่เท่ากันรักษาศีลมือนกันกําลังอีกกําลังของกรรมนี่คุณภาพไม่เท่ากันวังธรรมะเหมือนกันเข้าใจต่างกันไหม น, นี่เปนอย่าแสดงทำเหมือนกันก็เข้าใจต่างกันอีกบางคนจะแสดงง ง, งๆไปงั้นแหละรู้บ้างไม่รู้บ้างมูว่าไปงั้นกรรมที่พวกเราทำเนี่ยหนึ่ง ตอนนี้เป็นภาวนาใหม่กันนะเนี่ยนี่กําลังจะเดินภาวนาอยู่เนี่ยคือฟังธรรมก็เป็นภาวนากุศลแสดงธรรมก็เป็นภาวนากุศลนี่ยเรามาเจริญกุศลที่เป็นชั้นของภาวนาด้อยกันนีส่สมาธิอย่างเดียวเนี่ยภาวนาใช่ไหยนี่คือภาวนาภาวนากุศลในขณะที่ฟังจิตใจก็เกิดเ อ, อิบอิม่มช่ําชื่นมีสติมีสมาธิมีปัญญารอบรู้และเข้าใจเนี่ยอ้โหปั ญ, ญญาเกิดต่อที่ นี่ภาวนาบุญส่ผู้สแสดงธรรมก็เข้าใจวิจัยแยกแยะคิดเหตุคิดผลในแต่ละแล้วก็ภาวนาบุญสรวนั้งกูหุ่นภาวนาบุญส่นนี่ก็ลองจะเดินภาวนาอยู่คือเรภาวนาใหม่นย่งในบนกิเลสวว่วทานศีลภาวนาใช่ไหมอภจาวัจยานะก็คือการประพฤติประโยชน์อน้องตบตนววเวียยวัจจะประพฤติประโยชน์ปฏิทานะให้ส่วนบุญปราร า, านุโมทนาก็คืออนุโมทนานส่วนบุญ ธ ร, รมโซนะคือฟังธรรมแล้วก็ธรรมเทศนาแสดงธรรมทิฏฐุชุกคำการการตามความเห็นที่ตรงคือสมาที่ผีสามตัวเนี่ยเป็นปาวนาบุตรภาวนาไหมบุญสําเร็จเกิด ข, ขึ้นอย่างโผล่เนี่ยนี่กไปทําอะไรออกไปเจริญโทลเจริญภาวนาคือศรัทธาเจริญขึ้นวิริยะเจริญขึ้ น, นติดต่อสติเจริญติดต่อสมาธิเจริญติดต่อปัญญาเจริญติดต่อใช่ไหม ไอ้ที่ปัญญาเดินต่อเนื่องต่อเนื่องก็เลยภาวนาที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วมาเจริญยที่เรียกว่าภาวนาเดี๋ยวนั่งไปหลับไปไม่เรีาภาวนานั่งไปพุ้งตานไปก็ไม่ได้กว่าภาวนาเขายายยังแต่เนี้ยนี่ก็เริ่มมาเจอเลยภาวนาแต่คนไม่ยอมพูดกันนะนี่ภาวนากำลังจะเรียนภาวนาอยู่เมือเราไปนั่งกรรมฐานนั่งตับตมบกนั้นเป็นภาวนาไหมเวนั่งไปแล้ว สัทธาวิญญาตสติสภาที่เกิดติดเขาก็ไป็นเาหนาเหมือนกันแต่นี้เมาหน้าไปเองเลยแต่เนี่ยยิ่งไม่มันไม่เข้าร่องเอาร้อยละทีเลยนะต้องฟังให้เกิดความเข้าใจอยี่พูดถึงเลยเรื่องอาหารของของพระสังฆาฏิแล้วติดเป็นที่วิญาณแล้วก็มีกรรมชโรก ปฏิสุทธิวิญญาณน า, นานพวกแย่ในสิ่งะทำให้กรรมชโลูกมาใหนั้นที่พวกเรามีกรรมชโลกแล้วก็มีพวกเวทนามีสัญญามีกลุ่มสังขานมีปัญญาหรือไม่มีปัญญาฉลาดหรือไม่ฉลาดมีสติแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงมีสมาธิ ด, ดีหรือไม่ดีมีศรัทธามากหรือน้อยนี่คุณภาพที่ในขณะเกิดเนี่ยใครเป็นคนนามาให้ปฏิสุทธิวิญญาณนำมาให้ ปฏิสทธิวิทยาณที่มีคุณภาพดีก็นําเจตคติการทำและกระนำพวกกรมมชั่วที่ดีๆมาให้ใั่นคนเราจะมีมีคุณภาพชีวิตคือกระแสนมามธรรมที่ต่างกันต่างกันมากเลยบางคนมีนมามธรรมที่ไม่ดีมาเลยตั้งแต่เกิดเลยว่าไม่เคยสอบยากเพราะนมามธรรมไม่ฐานศรัทธ า, ามันไม่มีมันจะไปอีกเรื่องหนึงเลยนะด้วยบางคนเนะี่ยบางคนศรัทธ า, ากล้ามีกําลังแต่ความเพียรอ่อน แน่น อ, อนใจแนยผมพระเจ้ากพระเอกออ่อนทุกตัวเลยนะี่ปฏิสทติวิญญาณทุกคนนีเหมือนนำเจติกระกำที่เราอ่อนทุกตัวเลยสุขภาพรูปธรรมก็ไม่ได้เรื่องแต่ท่าก็อ่อนสมาธิก็อ่อนสติก็อ่อนความเย็นก็อ่อนแล้วปัญญาอ่อนเ้ยอ่อนทุกตัวเลยปัญญาจะมาเนี่ยมาจะปฏิสติวิญญาณเนี่ยวิญญาณนี่แหละนําพวกนี้มาให้ น, นี่วิญญาณที่คุณภาพแย่ก็ไม่จะ ก, กรรมที่แย่เออตัวนี้มันถึงบอกว่าเวล า, าเจริญกุศลเนี่ยเจริญให้เต็มที่อย่าให้บาปเสน้นเพราะกรรมมันจะดิ้ผลไปแล้วหนึ่งเพราะเชื่อกรรมไว้เวลาเราได้อัตภาพได้กรรมถัดไปมันจะได้มีคุณภาพที่ดีพุทธเจ้าเห็นที่แย่พระโอษด์เนี่ยโอ้โหมีตังเหตุมันดีมาก เทศแป๊บ <te le af> เดียวบรรลุแล้วผมเนี้ยนะไปเจอืืออบางคนิีสัตว์ว่าเป็นคนกับเขาเองนั่นเองนจะเรียกว่าอาบายาสัตว์ ก, ตกัดดองได้โอ้โหพกลพิการหมดเลยแถมสติปัญญาป้าใบบอดหัวงเขามีโอ้โหขนาดนั้นเลยนะปฏิสิณที่วิญญาณ น, นําให้นำมาใช่ไหมเริ่มมองเหนเน็นยังว่าอาหารเป็านแบบนี้นํามาภาษาอาหารนําอะไรมานํา เวทนามาให้ทัะบญญางอยางก็นําเวทนาที่เป็นกุศลมาให้บญญางอย่างก็นําเวทนาที่เป็นอกุศลมาให้ใช่นไหมเกาลิงกรอาหารก็นําอาหารเป็นคำคาวิตกกินมาให้บางคนเนี่ยได้เกาลิงกรบอาหารแย่ม า, าร่างกายกระปวกกระเปียกเลยกระเด็นเลมาเจริงไหมเนี่ยโดยทีตได้อาหารนี้ มางคนผัสาหารนําแต่อกุสนมาให้อคุสนเว้ยมโนสัญเจตอนอาหารก็ดูที่วัยอคุสนละการรมเ ร, รื่องอคุสนละรามอกุสนละรามประเภทไหนวิญญาณอาหารก็ต้องว่าวิญญาณทั้นมาจากคำที่เป็นอุศนอคุเขาก็นําต่อไปนาปฏิสันติคำชี้รูปมาให้นี่เป็นต้นมโนสัญเจตอนาอาหารไม่แยกนําแย่ปฏิสันติวิญญาณนํานำการเห็นการได้ยินการได้ติมาให้ ในเรา บ, บางคนเนี่ยอยู่ในสิ่งแวดล้อมไม่ดีเลยตื่นขึ้นมาก็เห็นใจเึืไม่ดีได้กลิ่นก็ไม่ดีริมล๊ก็ไม่ดีสิ่งแวดล้อมแย่มากเลยเนี่ยดูที่ในตัววิญญาณทีนได้ไม่ดีมากว่าจะกลับที่ไม่ดีใช่นไหมคนบางคนที่เกิดมาก็อยู่ในสิ่งที่แวดล้อมอย่างพวกเราเนี่ยเกิดมาได้สิ่งแวดล้อมดีใช่ไหมพอเป็นนักบวชได้สิ่งแวดล้อมดีใช่ไหม โอ้โถ้าไม่ได้บวดเนี่ยสิ่งไม่ร้องมาก็นั่นและวนวนเสียงดา่าเสียงดา่ดา ก, กันเสียงทะเลาะกันอะไรก็ไม่รู้ตื่นขึ้นมาบางคนได้ยสิ่งอย่างนั้นจริงๆ น, น, นะใช่ไหมตั้งแต่เห็นหน้าแล้วโอ้โหเอาแล้วมีแต่เลื่มลอม่ดีเนี่ยเป็นอยนี้แต่น่าปวดก็เออได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมามีเป็นนี้เนี่เพราะตัณหาเกิดจึงเป็นเหตุเกิดของอาหารเพราะตัณหาดับ จะมีความดับของอาหารนะครับอริยมรรคมแปดที่เป็นทางดําเนินไปสู่ความดับของอาหารสัมมาทิฏฐิสัมมาทัศน์ปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวมิมภาษัมมาสติสัมมาสมาธรรมิความดับของอาหารจะปรากฏได้ก็ต่อเมื่อตัณหาที่เป็นปัจจัยแก่อาหารทั้งที่เป็นอุ ป, ปาทินักากที่มีใจคองและลนุ ป, ปาที่กัที่ไม่มีใจคอกล่าวคือเมื่อเหตุ ด, ดับไปโดยสิ้นเชิงแม้ผลก็ต้อมดับไปโดยสิ้นเชิงเช่นเดียวกัน หมายความว่าจหาบัลลักษณ์ท่หาไั้อริยาสาวกรู้ชัดอาหารเหตุเกิดของอาหารคว า, ามดับของอาหารทางดเนินไปสู่การจับปอญหาอย่างนี้เมื่อ น, นั้นแหละท่านกัจจาราคะราค า, า, คานุใสได้กิเลสที่นอนเนื่องในราคะโดยสิ้นเชิงบรรเท า, าปฏิคานุใสกิเลสที่นอนเนื่องโดยปฏิคานถอนมานา น, นุใสกิเลสที่นอนเนื่องคือมานะที่เสมอกับชิกทีว่าเป็นเราและอวิชชาณุใส ทำละทาวิชาคืออรหันตธรรมะให้เกิดขึ้นเป็นผู้ทําที่ส่วนหนึ่งทุกได้ในปัจจุบันนี้เองด้วยเหตุ น, นั้นแหละจึงมีสมาทิฏี่เห็นตรงเลื่อมใสที่แน่วแน่ในโลกุตตรธรรมมาสู่พระนิพพานนี้ดั้โดยอริมมอยมรรคนีพิ่างนี <c oughs> ้ต่อไปก็พิสูก็ชื่นชมภาสิทธิของ ท่านภาษาลิบุตรโอ้ท่านสอนได้ชัดที่ขึ้นหวงพ่อสิได้หลักการแล้วะข้าพเจ้าได้หลักการแล้วกับผมได้หลักการแล้วต่อไปผมจะไปฝึกในการไปเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นยิ่ ง, งขึ้นไปการสอนของท่านในครั้งนี้ไม่เป็นหวั่นแน่นอนตัวภาษาลิบุตรชื่นใจมั้งชื่นใจเหมือนพวกเราเนี่ยเออท่านพูดเข้าใจ จะไปเท้าต่อหรือไม่ไม่เฝ้าคิปัสนาการอารพิกูจเหล่านั้นชื่นชมดีจริงขอรับแล้วก็ถามปัญหาต่อไปเหตุที่ทำให้อิีตดาวบเนี่ยมีสมาธิเห็นตรงเรื่องใต่แน่วแน่ในธรรมาสู่พระสัทธรรมมีอยู่อีกไหมภาษสาทีบุตรตอบว่ามีอยู่ไม่ใช่เรืนแงง่นะ เมื่ออรียสาตวร์รู้ชัดทุกมีเอาแล้วเรียสัตว์มาแล้วจะด้โอ้โีเรื่องใรู้ชัดทุกสภาว่าที่นา่าเอียดละเอียดสารรู้ชัดเหตุที่เกิดทุกรู้ชัดความดับทุกรู้ชัดทางดําเนินไปสู่ความดับทุกจึงจะมีสัมมาทิฏฐิเห็นตรงแล้วก็เลื่อมใสแน่วแน่ในธรรมะคือโลกุตระธรรมมาสู่พระสธรรมนี้ทุกเหตุเกิดของทุกความดับทุก ธรรมนำเนรมิตุกรรมดับทุกข์เป็นอย่างไรทรรดําเนิรมิตุกรรมดับทุกข์เป็นอย่างไร <ST> S> <S ทุกข์เป็นอย่างไรคือโอ้โหมีจอบตัวนี้อะไ ร, าไรชาติทุกข์ชาลาทุกข์มรณะทุกข์โศกปฏิเทวทุกข์กระทมนันกอุปายากการประสบกับอารมณ์ที่ไม่ชอบการท้าทายจากอารมณ์ที่ชอบการไม่ได้สิ่งที่ต้องการก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่อย อ, อุปาทานขันท่าคือโรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาเหล่านี้ชื่อว่าเป็นตัวทุกขปาทานขันเลยครับพวกอุปาทานนะขันความยึดมั่นความถือมั่นขันนั่นเป็นที่ตัง้งความยึดมั่นคือโรคขันนันน่นเป็นที่ตัง้งความยึดมั่นคือเวทนาขันนั่นเป็นที่ตั้งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารและวิญญาโอ้โหคนนี้ขันข้าเรื่องใหญ่แ <c> ล <ười> ้วก็ขันนี่โอ้โหไร ต้องรู้ไว้มีทุกทีนี้พอพูดถึงในเรื่องของถ้าพูดจนทั้งหมดเนี่ยสภาพของขันห้า้นี่เป็นตัวทุกข์เลยน่รูปประขัน ถ้าเจาะไปในเรื่องของในผมกันเล่องปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนในนั้นก็มีทั้งดินน้ำไฟลมใช่ไมท่าดินน้ำมีทั้งจักภุปาสาสตร์รัศประาสตร์ชนาาศาาศะศาสตร์ิวหวประศาสตร์กรยศาสตร์เ่อมีทั้งรูปารมส ต, ตารมันตารมร่าสารมบทตรบาลมใช่มมีทั้งอิทธิภาวะปริสภาวะภาวะความเป็นหญิงเป็นชายมีหัตถยะมีชีวิตใช่ ในท่าก็มีก า, กายยินยัดการเคลื่อนไหวกายยืนญยญัดการเคลื่อนไหววาจามีความเบาควาอ่อนความควรอย่างนี้นะที่มีการเคลื่อนไหวได้มีการเกิไไดกก ข, ขึ้นแต่ละขนาดมีการสืบต่อใช่ไหมมีการแย่แล้วก็มีการตายทุกๆขนาดอยู่เป็นอย่างนั้นจริงไหมนีนนนม่กลุ่มรูปธรรมนี่เยอะมากเลยใช่ไหมเราจะมองไปจุดไหนโดยส่วนใหญ่เราไม่เคยเข้าไปวิจัยจริงๆเล ย, เลยนะตรงนี้น ไม่อยากคนทุกข์นี่เลยเดี๋ยวเราไม่อยากรูก้จากลูกลูกขันเส่อนวนเนี่ยขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือลูกว่าเงินเงินเงิลกเป็นอย่างไงตรวจยังแล่น้ําตาไหลว่าจริงๆเล้อเนี่ยนื้ขันอันเป็นที่ตั้งแห่คคงความยึดมั่นคือเวทานาเนี่ย การเป็นที่ต้านความยึมั่นคือสัญญาคือตัณหาและวิญญาณัวเตือ้อเตื้อย่าง้งี้ยล่ะทำไมมาเอ้โรคมันเป็นยังไงไม่รู้จกักมีมหาพุทธโรอุปาทายโรคมันต้องรู้อะไรตรงนี้ดินน้ำไฟลมธาตุนี้คือมห า, าพุทธรูเป็นรูปแค่เมื่อมีมห า, าพุทธรูปแล้วก็ต้องมีรูปที่อาศัยมห า, าพุทธรูปแลยเขาเรียกอุปาทายรลูกจากคุปตะศาสตรเนี่ย เป็นอุปาทายะโลกความใสที่สามารถรับสีเนะียอาศัยต้องมีท่าดินท่าน้ำทา่านไฟท้านลมเป็นฐานรูปใหญ่จากอุปสรรคก็ายอาศัยยิงนะได้เย้ดินน้ำไนนะรเราก็เกิดดับสืดต่อทุกทุกขนาดรวดเร็วมากเร็วกว่าวาเลยแม้จากอุปสรรคที่เกิดก็ที่อาศัยโลกนั้นก็เกิดดับสืดต่อตลอดเราไม่เคยเห็นุดเลยเกิดดับสืดต่ออยู่เลยแต่ความจริงเป็นยังไงไหมเซลล์เนี่ย เดี่วในร่างกายทุ ก, อ น, น อ, กอนุเนี่ยเกดับติดต่อตอดเวลาเยตลอดวลาไม่เคยสั่งตายเกิดติติดต่อตลอดเวลาคา น, นเป็นที่ตั้งความรี้มั้งลูกโสตปสาทไอความใสที่สามารถรับเสียงได้ก็อาศัยดินน้ไปเลเกิดติดติดต่อตลอดเวลาคิวหาประสาทก็มืกันไอประสาทลิ้นเนี่ยก็เกิดตติดต่อตลอดเวลา พราะดินน้ำไปลมเป็นที่ตั้งก็เกิดตับสืบต่อทางแหนบศาสตร์ที่รู้กินเนี่ยความใสที่สามารถรู้กินเนี่ยก็อาศัยดินน้ำไปเราเพเกิดตับสืบต่อตลอดกวลาดินน้ำไปลมเกิดตับสืบการยศาสตร์ทั่วการศึกษาเกิดตับสืบต่อตลอดที่รักโภทพอัธยะก็เกิดตับสืบต่อชีวิตโลกก็เกิดตับสืดต่อความเป็นหญิงภาวะความเป็นหญิงภาวะความเป็นชายเป็นอนุเล็กๆเนยอาศัยดินน้ำไปลมเกิดขึ้น เป็นเซลล์เล็กๆเท น, นั้นเลงแต่กับกริยาแสดงออกเว่าไปเนี่ยของหญิงของชายเนั้นไ่ายนอกแต่อีกตัวรูปธรรมจริงๆอ่ะเล็กมากกายวิญญาณเนี่ยการเคลื่อนไหวของพวกกลุ่มมหาบุตรลูปลาไหยรูปเหล่า น, นี้ยที่เป็นการเคลื่อนไหวนี่เรื่อง ก, กายวิญญาณมีตัวผักที่เคลื่อนไหวเวิญญาณวาจาที่เปล่งออกมาใช่ไหมแล้วก็จะมีการเคลื่อนไหวได้ทั้งกายและวาจาการยืนเดินนั่งนอนได้ ถ้าต้องมีความเบาความอ่อนและความคลวนถ้าอย่างนั้นมันขยับข ย, ยี้เคลื่อนไหวไม่ได้แล้วมีอุ ป, ปัตยะการเกิดขึ้นสนติคือการติดต่อชาตตาคือความแก่อริจตาคือดับทุกทุกขณะของกลุ่มรูปนั้นๆนะเซลล์นั้นๆนะก็จะมีอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเลยคุณเห็นก็ไม่เห็นรูปกระทําก็เป็นอย่างเนี้ยนี่แหละคือโรคนี่ยนี่คือโรคกระทํำขาหน้าเป็นที่ตั้งความยึดมั่นคือโรค แต่เราเห็นรวมๆเราไม่เคยไปแยกชิ้นส่วนเหมือนชิ้นส่วนรถเนี่ยเราก็เห็นเห็นรวมเราไม่เคยไปแยกแต่ละชิ้นละชิ้นพอเราเห็นรวมล่างมาปุ๊บแล้วก็สําคัญอันนี้คือชื่อและบัญญัติ เ, เข้าไปใช่ไหมอันนี้กลุ่มรูปธรรมกนะ่อนนะทีนี้กลุ่มรูปธรร ม, ม ท, ที่ข ย, ยับขย่ืนเคลื่อนไหวได้เพราะมีนานมธรรมมีความจงใจมีความคิดมีวกจัดกลว่ม มีพกวิญญาณขันยังไงมีสัญญาขันยังไงมีสังขารขันมีเวทนาขันยังไงนั้นกลุ่มนามประธรรมก็ต้องไปรู้อีกเองกลุ่มนามประธรรมเนี่ยรูปประธรรมเนี่ยส้องพันกันยังไงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนกันยังไงสืบต่อยังไงโอ้โหในรายละเอียดเยอะเลยนั้นที่เราเรียนเรื่องศรัทธาวิริยะสติเล่นเวทนานี่กลุ่มนามประธรรมหมดเลยนะนี่คือขันเนี่ยเราเล่นเรื่องขันห้าอยู่นะแต่เขาไม่บอกเราเท่เนี้นเช่นสติเนี่ยเป็นสังขารขัน วิรยะก็เป็นสังขารละขันธ์ศรัทธาก็เป็นสังขารขันธ์สมาธิก็เป็นสังขารขันธปนน์ปัญญาก็เป็นสังขารขันธ์เวทนาก็เป็นเวทนาขันธ์ความจำได้หมายรู้ก็เป็นสัญญาขันธ์การเห็นการได้ยินเป็นต้นก็เป็นวิญญาณขันธ์ดูสิในนามาระทับเกิดจับถืดต่อตลอดเวลาเลยใช่ไหมอันนี้กิดทุกมีคือทุกขัสต้องรู้ไว้เนี่ย เหมแต่แต่เราไปฟังธรรมะไปอะไรต่างเขาไม่บอกเราเนี่แต่จริงๆแล้วเนี่ยพูดเรื่องขันห้าอยู่นี่แหละไม่มีอะไรเกินไปจากขันห้าเจ้าอจใช่ไหมก็พูดเรื่องขันห้าเราฟังอยู่เลยเอาไปสิ่งเราท่านทั้งหลายจงตั้งสติกําหนดดูลมหายใจเข้าออกเพียงแค่นีล้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นรูปธรรมเป็นรูปธรรมเป็นกายในสังขาร แต่การทําให้กายนี่ดําเนินไปได้ทําให้รูปธรรมนี่ดําเนินไปได้ก็มีละลงไม่ใจเข้าอยู่ไม่ใจออกอันนี้เป็นจุ้ยรำฐานเป็นที่ตั้งให้มีสติไปกําหนดไม่ใช่สติอย่างเดียวเนอะวิญญาณก็ต้องไปรู้ตรงนี้ด้วยเพอสติสติอาศัยวิญญาณขันธ์นนเป็นไปอยู่ต้องมีเวทานาด้วยสัญญาด้วยสังขารด้วยจะพูดสติตัวเดียวไป่ท่านพูดหมดแล้ว <laughs> เดี๋ยวเราพูดเรื่องขันธ์ห้านี่แหละ เอาขันห้านมามะธรรมไปรู้รูปธรรมบาง ท, ทีก็นมามะธรรมไปรู้นมามะธรรมเช่นให้รู้จักสติแยกให้ด้ว่าสติมีลักษณะอย่างนี้ความโลภมีลักษณะอย่างนี้อย่างนี้เนี่ ย, ยครูมีผู้ที่รู้จักตัณหาตัณหาใช่ไหมจริงๆเราฟังกันมาเยอะแล้วเรื่องเรื่องนี้แต่เราไม่เคยรู้ว่านี่คือขันห้าสติกระดับอยู่ตลอดเวลาไหยโลภะโทสะโ ม, อมอหะ ก็เป็นขันมันกันห น, นึ่งหลักฐานหักฐานเจตนาก็เป็นสังขานขันฐาไม่เคยพูดอะไรเกินขันห้าเลยนะจริงๆแลยเนี่ยขันห้าก็เกิดดับสืบต่อกระบว น, นการความคิดตัางหลายแนละ้วไม่ใช่นามาทําคิดแต่ตัวไหนจะเด่นก็ว่าไปเห็นเด่นดวงวิญญาณไม่สันก็เด่นรู้สึกชอบไม่ชอบก็เลยเวตนาขันก็เป็นเด่นยําได้ก็สัญญาขันเด่น ตกแต่งกินกรามการกับกลุ่มเจตนาการไม่เป็นเด็ดนตั้งการแข่งขันก็เด่นเลยนี่เป็นตัวสรุปแล้วเนี่ยต้องอยู่กับมันตลอดเยนี่คือตัดจ่ายทุกประศัตเป็นตัดจายที่ควรรอบรู้ควรกําหนดรู้ควรกําหนดตัวมันให้ชัดแยกมันให้ออกว่ามันคืออะไรอะไรใช่ไแยกให้ออกแยกให้ถูก เาม่ยังไม่ได้เสร็วันกันเร่เลยเสิดวันที่